ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินไม่รู้ว่าคำตอบจะอยู่ในสายลมหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องราวของ Animal Farm มซึ่งสะท้อนความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ด้วยนะคะผลงานการเขียนของจอร์จออเวลค่ะนี่คือเรื่องที่ห้องสมุดหลังใหม่กำลังนำเสนอเล่าให้คุณได้ฟังนะคะ Animal Farm ดิฉันรัศมีมณีนินนะคะรับดูแลคุณ วันนี้มาถึงตอนที่6นะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะเกิดความวุ่นวายในฟาร์เมื่อแม่ไก่ประท้วงไม่ยอมให้ไข่กับาทางนโปเลียนนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆนาๆ่นาแล้วก็มีข่าวว่าสโนบอลแอบเข้ามาในฟาร์มแล้วก็บอกว่าสโนบอลเนี่ยเป็นสายลับให้กับนายโจนส์ คือไม่ใช่พวกเดียวกันแต่ว่าเป็นพวกมนุษย์จากนั้นก็มีการฆ่าสัตว์ที่สารภาพว่าทำความผิดฆ่าไปหลายตัวเลยทีเดียวค่ะทำเอาสัตว์ทั้งหลายเกิดความประวัตพรั่นพรึงแล้วก็นึกถึงกฎ7จข้อที่บอกว่าห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยกันแต่ตอนนี้กฎถูกเปลี่ยนเป็นห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยกันโดยไม่มีสาเหตุเหมือนกับว่าถ้ามีสาเหตุก็ให้ฆ่าได้ แล้วก็มีการสั่งห้ามไม่ให้ร้องเพลงปฏิวัติสัตว์แห่งอังกฤษโดยอ้างว่าปฏิวัติสำเร็จแล้วไม่ต้องร้องแล้วก็มีการแต่งเพลงใหม่ให้ร้องแทนขณะที่นโปเลียนก็ดูมีพิธีรีตองมากขึ้นเจ้ายศเจ้าอย่างมากขึ้นเอาละค่ะ Animal Farm ภายใต้การนาของนโปเลียนในยุคที่มีเพลงสหายนโปเลียนแทนเพลงสัตว์แห่งอังกฤษ บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตอย่างไรนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกสโนบอลจะสามารถกลับมาคืนสู่อำนาจได้อีกหรือไม่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสถานการณ์สมมุตินะคะที่จอร์จออเวลเขียนขึ้นซึ่งว่ากันว่าเสียสีระบบะเผด็จการในรัสเซียในยุคนั้นค่ะที่มีสตาลินครองอำนาจแล้วก็บอกว่าจอร์จออเวลนั้นไม่ปริ่มทั้งซ้ายและขวา ไม่ว่าซ้ายหรือขวาถ้าเป็นคนไม่ดีก็มีปัญหาได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะกับ Animal Farm มตอนที่6ช่วงที่1ค่ะช่วงนี้นโปเลียนกับมังเจรจาอยู่กับเฟรดริกแล้วก็พิวคิงตัน ผ่านนายวิมเปอร์ซึ่งเป็นคนกลางกองไม้สุงยังไม่ได้ขายไประหว่างสองเจ้าเฟเดริกอยากได้ไม้มากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ยอมเสนอราคาที่สมเหตุสมผลในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือขึ้นมาใหม่อีกว่าเฟเดริกและพวกวางแผนที่จะโจมตีแอนิมอลฟาร์มแล้วก็ทำลายโรงสีด้วยความริษยาอย่างรุนแรงที่มีการสร้างโรงสีลมขึ้น แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าสโนบอลซุ่มซ่อนอยู่ในฟาร์มพินช์ฟิลพวกสัตว์พากันตื่นตรหนกเมื่อรู้ว่าแม่ไก่3มตัวออกมาสารภาพว่าสโนบอลเป็นคนยุให้วางแผนสมคบคิดกันสังหารนโปเลียนแม่ไก่พวกนี้โดนประหารทันทีแล้วก็มีการประแวประวังความปลอดภัยให้แก่นโปเลียนมากยิ่งขึ้น ตอนกลางคืนจะมีหมาสี่ตัวมาคอยดูแลที่เตียงนอนทั้ง4ี่มุมมีสุกรหรือหมูที่ชื่อว่าเจ้าพิงาอมีหน้าที่ชิมอาหารทุกอย่างก่อนนโปเลียนจะกินเพื่อที่จะป้องกันการวางยาพิษในระยะเวลาเดียวกันก็มีการประกาศว่านโปเลียนได้ตกลงที่จะขายไม้ซุงให้กับนายพิวคิงตัน ซึ่งกำลังทำข้อแลกเปลี่ยนผลผลิตบางอย่างเป็นประจำระหว่างฟาร์มฟอกวูดและแอนิมอลฟาร์มตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนาโปลีและนายพิวคิงตันแทบจะเป็นมิตรต่อกันคือพัฒนาการความสัมพันธ์ดีขึ้นแม้จะติดต่อกันผ่านทางคนกลางคือนายวิมเปอร์แต่ว่าพวกสัตว์นั้นไม่ไว้ใจในายพิวคิงตันเลยในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คือยังไงยังไงเนี่ยก็เป็นมนุษย์ไว้ใจไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเทียบกันระหว่างนายพิวคิงตันกับนายเฟดริกบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะกลัวและก็เกลียดนายเฟดริกมากกว่านายพิวคิงตันเมื่อฤดูร้อนดำเนินไปและโรงสีลมใกล้จะสร้างเสร็จก็มีข่าวลือนาหูมากยิ่งขึ้นว่าจะมีการโจมตีแอนิมอลฟาร์มโดยนายเฟดริก ที่จะพาคน20คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาโจมตีแล้วก็ลือกันว่านายเฟดริกนี่แหละไปติดสินบนผู้พิพากษาแล้วก็ตำรวจเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีการสอบสวนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีต่อไปแล้วก็ยังมีเรื่องน่ากลัวที่หลุดออกมาจากฟาร์มพินช์ฟิลด์อีกว่านายเฟดริกนั้นเป็นคนที่โหดมากๆเขาเคยเคี่ยนม้าแก่ตัวหนึ่งจนกระทั่งตาย เคยให้แม่วัวอดอาหารเคยฆ่าหมาตัวหนึ่งด้วยการจับโยนเข้าไปในเตาไฟแล้วก็ชอบหาความเพลิดเพลินด้วยการจับไก่มาชนกันก็คือไก่ชนนั่นเองแต่ไก่ชนของนายเฟดูริกนั้นจะมีการผูกเศษมีดโกนเอาไว้ที่เดือยบรรดาสัตว์โกรธแค้นเรียกว่าโกรธกันมากนะคะเมื่อได้ยินว่าเพื่อนสัตว์ถูกกระทาทารุณกรรมเช่นนั้น บางครั้งบรรดาสัตว์ถึงกับพากันร้องขออนุญาตว่าไปโจมตีฟาร์มพินช์ฟิวกันเถอะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรดาเพื่อนเพื่อนสัตว์แล้วก็ขับไล่มนุษย์พวกนี้ออกไปแล้วก็ปลดปล่อยพวกสัตว์ให้เป็นอิสระแต่เซควิลเลอร์บอกว่าใจเย็นๆอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อยุทธศาสตร์ที่สหายนโปเลียนวางเอาไว้ จนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งนับปูเรียนปรากฏกายในโรงนาแล้วก็อธิบายต่อบรรดา ศ, าศาสตร์ว่ามันไม่เคยคิดจะขายไม้สูงให้กับนายเฟตริกเลยแล้วก็บอกว่าจะไม่ลดศักดิ์ศรีลงไปเกี่ยวข้องตกลงกับคนคดในข้ององในกระดูกเช่นนั้นนกพิราบแห่ง a n i m ม l f a r ร์ม ที่ถูกส่งออกไปเผยแพร่ข่าวเรื่องการปฏิวัติได้รับคำสั่งห้ามไม่ให้เหยียบฟางฟอก o ูดและได้รับคำสั่งให้เลิกใช้คำขวัญแต่เดิมที่ว่ามนุษย์จงพินาศเปลี่ยนมาเป็นเฟเดริกจงพินาศในช่วงปลายฤดูร้อนมีการเปิดโปงแผนชั่วอีกอย่างหนึ่งของสโนบอลว่าข่าวสาลีที่เก็บเกี่ยว มีวัชพืชติดมาด้วยเป็นจำนวนมากและได้ค้นพบภายหลังว่าในระหว่างที่ลอบเข้ามาตอนกลางคืนสโนโบอลได้เอาเมเล็ดพันวัชพืชมาปะปนกับเมเล็ดพันข้าวสาลีห่านตัวผู้ตัวหนึ่งที่สมคบคิดในแผนร้ายนี้ได้สารภาพผิดต่อสคริวเลอร์และได้ฆ่าตัวตายไปในทันทีโดยการกลืนผลจากต้น d e ลลี่ไนชเชซึ่งเป็นลูกไม้มีพิษ พวกสัตว์เพิ่งได้รู้ในตอนนี้เช่นกันว่าสโนบอลไม่เคยได้รับเหรียญกล้าหารวีรสัตว์ชันหนึ่งเหมือนดังที่สัตว์หลายตัวเคยเชื่อกันมานอกจากจะไม่เคยได้รับแล้วสโนบอลยังเคยโดยนตําหนิที่แสดงความขาดเคลาในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยนี่เป็นอีกครั้งที่สัตว์บางตัวฟังเรื่องของสโนบอลด้วยความพิศวงมุนงง แต่สคิลเลอร์ก็ทำให้พวกสัตว์เชื่อในที่สุดว่าพวกมันจำผิดไปเองคือพวกสัตว์นี่จำได้ว่าสโนบอลต่อสู้ด้วยความกล้าหาญมากแต่สค u ิ l เลอร์ก็พูดให้เป็นจากดำให้เป็นขาวจากขาวให้เป็นดำจนกระทั่งบรรดาสัตว์เนี้ยงงแล้วก็เริ่มคิดว่าตัวเองนั่นแหละจำผิดไปในฤดูใบ ไ, ไม้ร่วงคะ่ะโรงสีลมก็สร้างเสร็จ สร้างเสร็จด้วยความพยายามและเหนื่อยยากของสัพสัตทั้งหลายแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวพืชผลไปพร้อมกันด้วยนายวิมเปอร์กาลังเจรจาเพื่อที่จะหาซื้อเครื่องจักรกลเพื่อที่จะเอามาติดตั้งในตัวโรงสีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเผชิญความยากลำบากสารพัดไหนจะเรื่องของความไร้ประสบการณ์ ไหนจะเครื่องมือหยับหยาบไหนจะโชคร้ายและไหนจะต้องเผชิญกับการทรยศของสโนบอลแต่ปรากฏว่างานก็สำเร็จลงตรงตามที่กำหนดเอาไว้พอดิบพอดีสัตว์ที่เหนื่อยล้าแต่ภาคภูมิใจพากันเดินวนเวียนชื่นชมผลงานชิ้นเอกซึ่งในสายตาของมันดูงดงามยิ่งกว่าตอนสร้างครั้งแรกซะอีกที่สำคัญผนังยังหนากว่าเก่าตั้งเท่าตั ว, ตว ไม่มีอะไรมาทำลายได้อีกแล้วนอกจากระเบิดคือไอตอนสร้างครั้งแรกแล้วโดนทำลายไปพอสร้างครั้งใหม่เนี่ยก็ทำให้หนาแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมบรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สู้อดทนเหนื่อยยาก ในการทำงานสร้างโรงสีและความเปลี่ยนแปลงมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกมันเมื่อใบกังหันหมุนเมื่อเครื่องปั่นไฟทำงานชีวิตคงจะดีขึ้นมากเลยทีเดียวบรรดาสัตว์ต่างหัวร้องยินดีมีชัยกับความสำเร็จของตัวเองนโปเลียนก็มาเดินตรวจผลงานพร้อมเหล่าสุนัขอารักขาและก็ไก่รุ่นที่คอยติดตามประจาตัว นโปเลียนแสดงความยินดีในความสำเร็จของสัตว์ทั้งหลายและประกาศว่าโรงสีลมนี้จะมีชื่อว่าโรงสีลมนโปเลียน2วันให้หลังมีการเรียกสัตว์มาประชุมกันเป็นวาระพิเศษและสัตว์ทั้งหลายต่างอึง้งเมื่อนโปเลียนประกาศว่าได้ขายไม้สุงให้กับนายเฟเดูริกไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ รถบรรทุกของนายเฟตริกก็จะมาเริ่มขนไม้ไปตลอดช่วงที่ดูเหมือนว่านาโปเลียนจะเป็นมิตรกับนายพิวคิงตันแต่แท้ที่จริงแล้วนโปเลียนมีข้อตกลงลับๆไว้กับนายเฟตริกต่างหากตอนนี้แอนิมอลฟาร์มตัดความสัมพันธ์กับฟาร์มฟอก o ูด แล้วก็มีการส่งข้อความเป็นข้อความดูมินไปยังนายพิวคิงตันนกพิราบก็ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนคำขวัญจากเฟตูริกจงพินาตมาเป็นพิวคิงตันจงพินาตคือเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำเลยทีเดียวแล้วก็มีการยืนยันว่าเรื่องที่ไปลือกัน ว่าจะมีการโจมตีแอนิมอลฟาร์มนั้นไม่เป็นความจริงเลยและเรื่องที่ว่านายเฟด ร, ริกชอบทารุณสัตว์ก็เป็นเรื่องที่พูดเกินความจริงเช่นกันนาโปเลียนบอกว่าเนี่ยคงจะมาจากไอ้เจ้าสโนบอลแล้วก็สายลับของมันแน่ๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สโนบอลจะไม่ได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่ฟาร์มฟินช์ฟิลด์อีกแล้วแต่จริงๆแล้ว สโนบอลเนี่ยไม่เคยไปที่นั่นเลยด้วยซ้ำในชีวิตของมันว่ากันว่าสโนบอลใช้ชีวิตปรรูุราอยู่ที่ฟาร์มฟอกปูตั้งหากแล้วก็ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพจากนายพิวคิงตันมานานหลายปีอ้าวกลับไปกลับมานะบรรดาหมูทั้งหลายก็ปราบปลื้มในความฉลาดของนโปเลียนการแท่งทำเป็นมิตรกับนายพิวคิงตันบีบให้นายเฟตริก ยอมเพิ่มค่าไม้สูงขึ้นอีก12ปอนด์แต่คุณสมบัติอันเหนือชั้นของนโปเลียนนั้นเห็นได้จากการที่นโปเลียนไม่ไว้ใจใครแม้แต่นายเฟเดริกนายเฟเดริกต้องการจ่ายค่าไม้สูงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเช็คซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่กระดาษชิ้นหนึ่งแต่นโปเลียนฉลาดกว่าจึงขอให้ชำระค่าไม้เป็นธนบัตรจริงๆ ธนบัตรใบละห้าปอนด์ซึ่งจะต้องส่งมอบก่อนที่จะมาขนไม้ไปเฟเดริกชำระเงินเรียบร้อยแล้วและเงินจำนวนนั้นก็พอดีกับการซื้อเครื่องจักรกลติดตั้งในโรงสีลมในระหว่างนั้นก็มีการขนย้ายไม้ซุงอย่างรวดเร็วพอขนหมดแล้วก็มีการเรียกประชุมอีกเพื่อให้บรรดาสัตว์ได้เห็นธนบัตรของนายเฟเดริกนโปเลียน ประดับเรียนกราหารทั้งสองแล้วก็นั่งสบายอยู่บนแท่อนทอยู่บนแท่นกองฝางใบหน้ายิ้มระเรื่นมีความสุขข้างๆกายก็มีเงินวางตั้งเอาไว้บนจานกระเบื้องจากครัวในเรือบนบรรดาสัตว์เดินเรียงผ่านไปช้าๆแล้วก็พากันจ้องมองเงินได้เต็มตาจนพอใจบ็อกเซอร์ยื่นจมูกไปสูดดมกลิ่นธนบัตรเล่นเอาธนบัตรเหล่านี้ ระพือไหวเมื่อโดนลมหายใจของบ็อกเซอร์ผู้ชอบทำงานหนะักแต่จากนั้น3มวันต่อมาก็เกิดเรื่องอีกนายวิมเปิลหน้าซีดเผือดขี่จักรยานตาหูเลือกมาตามทางพอมาถึงก็เวียงจักรยานไว้ที่ลานแล้วก็รีบวิ่งปราดเข้าไปในเรือนครูต่อมาก็มีเสียงร้องด้วยความเครียดแค้นดังมาจากห้องชุดของนโปเลียน ข่าวของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แพร่ไปทั่วฟาร์มราวกับไฟป่าว่าธนบัตรพวกนี้เป็นของปลอมเฟดตริกได้ไหม้สูงไปเปล่าเปล่านโปเลียนเรียกประชุมสัตว์อีกครั้งแล้วก็ประกาศในทันทีด้วยความโกรธแค้นว่าความผิดของนายเฟดตูริกครั้งนี้มีโทษถึงตายถ้าจับได้จะต้องเอามาต้มทั้งเป็น ในขณะเดียวกันนะโปเลียนก็เตือนสัตว์ทั้งหลายว่าหลังจากการทรยศหักหลังครั้งนี้เชื่อได้แน่ว่าจะต้องมีเรื่องเลวร้ายอย่างที่สุดตามมานายเฟตูริกและพรกพวกอาจจะโดนโจมตีเมื่อใดก็ได้ตามที่วางแผนไว้นานแล้วมีการจัดวางเวรยามเฝ้าตามจุดต่างๆที่เป็นทางเข้าไร่มีการส่งนกพริราบสี่ตัวไปที่ฟาร์มฟอกบูดเพื่อขอประนีประนอมคืนดีโดยหวังว่า จะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับคืนดีกับนายพิวคิงตันได้อีกครั้งเช้า ว, วันรุ่งขึ้นขณะที่พวกสัตว์กำลังกินอาหารเชา้ายามก็วิ่งเข้ามารายงานบอกว่าตอนนี้นายเฟดริกและพวกมาถึงที่หน้าประตูรั้วไร่แล้วก็มีสัตว์ออกไปเผชิญหน้าอย่างกราหาร แต่คราวนี้ไม่ได้ง่ายดายเหมือนครั้งสึกอคอกบวัวเพราะว่ามีมนุษย์เพศชายเข้ามา15คนมีปืน6กระบอกพอมาถึงก็เปิดฉากยิงทันทีพวกสัตว์ไม่สามารถจ ะ, ะเผชิญเสียงปืนที่น่ากลัวเหล่านี้ได้ไหนจะเสียงปืนที่น่าหวาดผวาไหนจะลูกกระสุนที่สร้างความเจ็บปวดถึงแม้ว่านะโปเลียนกับบ็อกเซอร์จะพยายามปลุกระดมสักเพียงใด สัตว์ก็ถูกขับให้ล่าถอยไปทุกทีแถมสัตว์หลายตัวได้รับบาดเจ็บก็พากันไปหลบในโรงเรือนต่างๆและก็แอบมองอย่างระแวดระวังผ่านทางช่องรอยแตกและรูนอตที่ฝาไม้ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งโรงสีลมที่ตกอยู่ในมือของศัตรูแม้กระทั่งนโปเลียนเองก็ดูเหมือนจะอับจนปัญญาไปชั่วขณะมันเดินไปเดินมาโดยไม่ได้พูดอะไรเลย หางเกรงบิดแกว่งไกวบางครั้งก็ปลายตาล้วห้อยไปทางฟาร์มฟอกบูดถ้านายพิวคิงตันและพักพวกมาช่วยก็อาจจะมีโอกาสชนะแต่ว่านกพิราบสื่อสารที่ส่งไปเมื่อวันก่อนได้กลับมาตัวหนึ่งนำเศษกระดาษที่เป็นข้อความจากนายพิวคิงตันมาด้วยบนเศษกระดาษชิ้นนั้นมีข้อความเขียนด้วยดินสอว่าสมนาหน้าในระหว่างนั้นเอง นายเฟดริกและพวกก็หยุดอยู่ที่โรงสีลมสัตว์จับตามองมนุษย์แล้วก็พึมพำด้วยความว้าวุ่นวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวส่วนมนุษย์ก็นำฉลงแล้วก็ค้อนใหญ่ออกมาตั้งท่าจะรื้อโรงสีลมเอาละสิ uh, นัพปเรียนบอกว่า <Okay. S 2> ไม่มีทาง เราสร้างผนังหนาเกินกว่าจะทุบได้ทุบทั้งสัปดาห์ก็ยังไม่พังไม่ต้องกลัวไปรอกสหายามนุษย์สองคนถือค้อนแล้วก็แฉลงกำลังเจาะรูกใกล้ฐานโรงสีลมเบนจามินพยักหน้าคล้ายกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างาฉันนึกแล้วเชียวไม่เห็นหรือว่า เขากำลังทำอะไรกันอยู่อีกสักครู่เขาก็จะเอาดินประเบิดใส่ในรูนั้นพวกสัตว์ร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วก็จะออกไปจากโรงเรือนที่ใช้หลบภัยอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้อีกไม่กี่นาทีต่อมาก็เห็นมนุษย์วิ่งกระเจิดกระเจิงเป็นคนละทิศคนละทางแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นนกพิราบโผบินแตกตื่น สัตว์พุ่งตัวลงแล้วก็หมอบราบกับพื้นซุกหน้าหลบยกเว้นนโปเลียนและเมื่อสัตว์ลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นควันสีดำลอยอยู่เหนือบริเวณที่เคยเป็นโรงสีลมลมอ่อนๆพัดพาควันไปช้าๆโรงสีลมได้หายไปแล้วเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป พักความตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ตอนที่6 ห, ห้องสมุดหลังใหม่ Animal f ฟ r ร์มของ George Orwell นะคะ เ ป, ปลี่ยนบรรยากาศค่ะฟังเรื่องของคนมาเยอะแล้วมาฟังเรื่องของสัตว์กันบ้างดีกว่าแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของสัตว์เรื่องของสัตว์แล้วก็เรื่องของคนนะคะเปลี่ยนมุมมองค่ะว่าถ้ามองจากมุมของสัตว์สัตว์เขาจะคิดยังไงและขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นการใช้เรื่องของสัตว์สะท้อนเรื่องของคนน ะ, ะมันหลายซับหลายซ้อนอยู่เหมือนกัน อ่านเป็นวรรณกรรมเยาวชนนุ่ๆ ก, ก็ได้หรือว่าจะอ่านเป็นวรรณกรรมสําหรับผู้ใหญ่อ่านแบบเอาจริงเอาจังเอาเรื่องเอาราวเอาแงา่คิดเอาปรัชญาก็ได้อีกเหมือนกันนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นวรรณกรรมอมตะมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสําหรับงานเขียนของนักเขียนที่ชื่อว่าจอร์จออเวลชาวอังกฤษนี่คือรายการห้องสมุดหลังไม้ที่จะเลือกวรรณกรรมดีๆนํามาเล่าให้คุณได้ฟังกัน วันละสองรอบนะคะบโมงถึงบ2โมงแล้วก็1นทุ่มถึง2อทุ่มกับดิฉันรัศมีมณีนินทร์ทาง www.thaipbsradio.com ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จ ะ, ะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เรียกว่าดูแลคุณคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะ มีอะไรก็สะท้อนกลับมาได้ทางเว็บไซต์นั่นเลยเอาละค่ะถ้าคุณ้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเมื่อโรงสีลมหายไปแล้วถูกระเบิดพวกสัตว์จะทำยังไงต่อไปติดตามได้เลยกับเรื่องตื่นเต้นใน Animal Farm นะคะเชิญค่ะ บรรดาสัตว์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความกล้าขึ้นมาความกล้ามาจากความโกรธแค้นที่เห็นการกระทำอันชั่วช้าน่ารังเกียจความโกรธได้ถมทับความกลัวและความสิ้นหวังคือเมื่อกลัวคือเมื่อโกรธก็จะหายกลัวจริงไหมคะ และเมื่อกลัวจนถึงที่สุดความกลัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นความกล้าบ้าบินเหมือนกันค่ะมีเสียงดังลั่นเรียกร้องให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปแก้แค้นกันบรรดาสัตว์วิ่งกรูโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งใดๆมุ่งตรงไปหาศัตรูคราวนี้ไม่กลัวหา ก, กระสุนที่ปลิวผ่านเนื้อหัวเรากับลูกเห็บการต่อสู้เป็นไปได้วยความดูดเดือดเลือดพร่า มนุษย์พากันยิงแล้วยิงอีกและเมื่อสัตว์เข้ามาในระยะประชิดก็มีการหวดตีด้วยไม้เรียวและก็เตะด้วยเท้าที่สวมรองเท้าบูทตซึ่งหนาแล้วก็หนักแม้วัวตัวหนึ่งแกะสามตัวห่านสองตัวเสียชีวิตสัตว์อื่นๆแทบทุกตัวต่างก็ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นโปเลียนซึ่งเัญชาการรบอยู่แนวหลังก็ยังโดนกระสุนถากปลายหางขาดไป พวกมนุษย์เองก็ใช่ว่าจะไร้บาดแผลชาย3ามคนศีรษะแตกเพราะโดนตีนบ็อกเซอร์ชายอีกคนหนึ่งโดนวัวควิดที่ท้องอีกคนหนึ่งกางเกงแทบขาดเพราะว่าเจสซี่และบรูเบลและเมื่อสุนัขอารักขานปโปลียนทั้ง9ตัวซึ่งนโปรเลียนให้อ้อมหลบหลังรั้วพุ่มไม้ไปโผล่ออกมาด้านข้างของกลุ่ ม, มนุษย์แล้วก็เห่ากันโชคยางดุร้าย ทำเอาพวกมนุษย์ตกใจและเมื่อเห็นว่าพวกตนกำลังจะโดนล้อมเฟตูริกก็ตะโกนบอกพักพวกให้ถอยไปครูต่อมาพวกศัตรูขี้ขาดก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตบรรดาสัตว์ไล่ตามไปติดๆจนสุดเขตทุ่งและเตะส่งท้ายแล้วก็เตะโดนนะเตะมนุษย์บางคนในขณะที่มนุษย์พวกนั้นกำลังตะเกียกตะกายลอดรัวพุ่มไม้ที่มีช่องโบ สัตว์ชนะแล้วค่ะสัตว์ชนะแล้วแต่ว่าก็เป็นการชนะที่เออเรียกว่ายากลำบากหืดขึ้นคอหลายตัวอ่อนเพียงแล้วก็มีบาดแผลเลือดไหลพวกสัตว์ค่อยๆเดินกระโโต ก, กะเพรกกลับไปที่ฟาร์ม เมื่อได้เห็นสหายนอนเหยียดยาวตายอยู่บนพื้นหญ้าสัตว์บางตัวถึงกระปรองไห้บางตัวก็นิ่งงันด้วยความเศร้าโศกโดยเฉพาะตรงจุดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงสีลมสถานที่ที่พวกสัตว์ทุ่มเทความยากลาบากก่อสร้างมาแล้วก็เพิ่งจะชื่นชมไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแต่ตอนนี้ โรงสีลมพังพินาศแทบไม่เหลือร่องรอยผลงานอันน่าภาคภูมิใจของพวกมันเลยแม้แต่น้อยแม้แต่รากฐานก็ถูกทำลายไปตอนนี้ถ้าคิดจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็คงไม่สามารถใช้พวกหินก้อนเดิมที่ร่วงลงมาได้อีกเพราะว่าคราวนี้ก้อนหินก็หายไปด้วยแรงระเบิดเหวี่ยงก้อนหินไปไกลนับร้อยร้อยหลา ราวกับว่าไม่เคยมีโรงสีลมอยู่ตรงนั้นมาก่อนขณะที่เข้ามาใกล้บริเวณไร่สกิวเลอร์ซึ่งไม่ทราบว่าหายไปไหนในระหว่างการต่อสู้วิ่งเหาะสะบัดหางยิ้มร่ามาหาพวกสัตว์พวกสัตว์ได้ยินเสียงปืนดังตู้มนัดหนึ่งอย่างเป็นพิธีรีตองมาจากทางโรงเรือนของฟาร์ม ยิงปืนทำไมนะ่ะบ็อกเซอร์ถามก็เพื่อฉลองชัยชนะของเราอย่างไรแล้วสกิลเลอร์ร้องบอกชัยชนะอะไรกันบ็อกเซอร์ถามเข่าของมันมีเลือดไหลแล้วก็เกือ ก, ก็หลุดไปข้างหนึ่งกลีบตีนก็ฉีกแล้วก็มีกระสุนลูกปลายจำนวนกว่าสิบสองลูกฝังอยู่ในขาหลังอา้าวก็เราได้ขับไล่ศัตรูออกไปแล้วไงไม่เห็นหรือ ศัตรูได้ออกไปจากแผ่นดินของเราแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของแอนิมอลฟาร์มไงสหายบอกเจอ์บอกว่าแต่โรงสีลมถูกทําลายไปแล้วพวกเราสร้างอยู่ตั้งสองปีชช่ยนะก็จะเป็นอะไรไปเล่าเราสร้างใหม่ก็ได้เราจะสร้างโรงสีลมสัก6โรงก็ได้ถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างสหายช่างไม่เห็นคุณค่าของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเอาซะเลย ศัตรูเข้ามาครอบครองแผ่นดินนี้ที่เรายือนอยู่แต่บัดนี้เพราะการนำของสหายนโปเลียนเราจึงได้แผ่นดินกลับคืนมาทุกตารางนิ้วถ้าอย่างนั้นเราก็ได้สิ่งที่เราเคยมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้กลับคืนมานั่นคือชัยชนะของพวกเราสหายสควิลเลอร์บอกพวกสัตว์เดินโผเผะเข้ามาในลาน บ็อกเซอร์รู้สึกเจ็บเพราะว่ามีลูกกระสุนฝังใต้ผิวหนังตรงตรงขาบ็อกเซอร์มองเห็นงานหนักรออยู่ในการก่อสร้างโรงสีลมขึ้นมาเป็นครั้งที่3ในจินตนาการของมันนี่มันมองเห็นภาพการทำงานเลยและมันก็เริ่มปลุกใจตัวเองให้ฮึดสู้งานแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มันรู้ตัวว่ามันอายุ11ปีและบางทีก้ามเนื้อทรงพลังของมัน ก็อาจจะไม่มีเรี่ยวแรงมากเหมือนเคยจากนั้นนโปเลียนก็กล่าวสุนทรพจน์แสดงความชื่นชมยินดีในการกระทําของสัตว์ทั้งหลายทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มรู้สึก ว่าชัยชนะที่ตัวเองได้รับเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตามที่นโปเลียนบอกสัตว์ที่ถูกสังหารในการต่อสู้ได้รับพิธีฝังอย่างเคร่งครึมบ็อกเซอร์และโคเวอร์ลากเกวียนซึ่งใช้ต่างรถขนศพนโปเลียนมาเดินนาขบวนด้วยตนเองมีการเฉลิมฉลองใช้กันถึงสองวันมีการร้องเพลงกล่าวสุนทรพจน์ยิงสลุด แล้วก็มีการมอบรางวัลพิเศษเป็นแอปเปิลหนึ่งผลแก่สัตว์ทุกตัวข้าวสาลี2อ n อ, อนซ์ให้นกแต่ละตัวแล้วก็ขนมปังกรอบ3มชิ้นให้สุนัขแต่ละตัวแล้วก็มีการประกาศว่าศึกครั้งนี้จะเรียกว่าศึกโรงสีลมแล้วก็มีการสั่งให้ทำเรียนกล้าหารขึ้นอีกประเภทที่เรียกว่าเรียนกล้าหารธงเขียวซึ่งนโปเลียนก็ได้มอบให้กับตัวเอง เรียบร้อยในระหว่างที่ต่างพากันเรื่นเริงเฉลิมฉลองสัตว์ก็พากันลืมเรื่องโชคร้ายเกี่ยวกับธนบัตปรปลอมไปสิ้นลืมไปเลยหลังจากงานฉลองไปไม่กี่วันบรรดาหมูก็พบเหล้าวิสกี้ลังหนึ่งในห้องใต้ดินของเรือนพักพวกมันก็สงสัยเพราะว่าอีตอนเข้ามาอยู่ที่นี่ทีแรกไม่มีใครสนใจ คืนนั้นมีเสียงร้องเพลงดังลั่นมาจากบ้านพักซึ่งทุกตัวแปลกใจที่ได้ยินเสียงทำนองเพลงสัตว์แห่งอังกฤษปนมาด้วยพอประมาณสามทุ่มครึ่งนโปเลียนก็สวมหมวกโบเลอร์ใบเก่าของนายโจนส์ออกมาทางประตูหลังวิ่งวนรอบลานก่อนจะหายกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งแต่ในตอนเช้า หมูทุกตัวดูจะแน่นิ่งกันไปหมดเกือบ9ก้าโมงเช้าสคิลเลอร์จึงค่อยๆปรากฏตัวเดินช้าๆท่าทางหดหูตาไร้ประกายหางตกห้อยดูแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท่าทางเหมือนคนป่วยหนักมันเรียกพวกสัตว์มาชุมนุมแล้วก็บอกข่าวว่าสหายนบโปเลียนกำลังจะตาย พวกสัตว์พากันคร่ำครวญมีการเอาฟางไปวางหน้าประตูบ้านแล้วก็พากันเดินย่องเงียบกริบถามไถ่กันด้วยน้ำตาคลอว่าจะทำอย่างไรดีหากปราศจากผู้นำแถมมีข่าวลือด้วยว่าสโนโบอลหาวิธีแอบใส่ยาพิษลงไปในอาหารของนโปเลียนได้สำเร็จตอน11โมง สกิวเลอร์ออกมาประกาศว่าสหายนโปเลียนขอประกาศห้ามเป็นกิจครั้งสุดท้ายก่อนจะลาจากโลกนี้ไปว่าสัตว์ตัวใดที่ดื่มแอลกอฮอล์จะต้องถูกลงโทษถึงประหารชีวิตอย่างไรก็ดีเมื่อถึงเวลายเย็นนโปเลียนดูจะมีอาการกระเตื้องขึ้นเช้าวันถัดมาส q ิวเลอร์ก็สามารถออกมาประกาศแก่สัตว์ได้ว่า นโปเลียนหายดีแล้วก็ไม่เชิงหายดีนะออกมาประกาศว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เริ่มจะหายป่วยแล้วและเย็นวันนั้นมันก็กลับมาทำงานได้อีกวันต่อมาพวกสัตว์ก็รู้ว่านาโปเลียนนี่แหละไปสั่งนายวิมเปอร์ให้ซื้อหนังสือบางเล่มมาจากวิลลิงดอนเป็นหนังสือเกี่ยวกับการหมักแล้วก็การต้มกลั่นและสัปดาห์ต่อมานาโปเลียนก็ออกคาสั่ง ให้ไถดินที่ทุ่งเล็กๆซึ่งกั้นอคอกเอาไว้แล้วก็อยู่ถัดจากสวนผ ล, ลไม้ไปแต่เดิมเลยเตรียมเอาไว้เป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ที่ทำงานไม่ไหวที่ให้ไถดินก็อ้างว่าทุ่งหญ้าพวกนี้เสื่อมสภาพต้องหว่านมาเมล็ดพันธุ์ใหม่แต่ไม่ช้าก็รู้กันว่านาโปลีนตั้งใจจะหว่านข้าวบาเล่ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น ซึ่งแทบไม่มีใครเข้าใจเรื่องของเรื่องก็คือคืนหนึ่งตอนประมาณ12นาฬิกามีเสียงโครมครามดังสนั่นขึ้นที่ลานพวกสัตว์ก็รีบวิ่งออกมาจากคอกจากเล้าคืนนั้นพระจันทร์ส่องสว่างที่เชิงผนังด้านในสุดของโรงนาใหญ่ที่ซึ่งมีบัญญัติเจ็ประการเขียนติดเอาไว้สี่ควิวเลอร์ มึนงงไปชั่วขณะนอนแผ่ลาอยู่ข้างๆบันไดลิงที่อยู่ในลักษณะหักครึ่งใกล้มือของสกีวเลอร์มีตะเกียงแปลงทาสีและกระป๋องใส่สีขาวพลิกคว่ำอยู่สุนัขรีบตั้งวงล้อมสกีวเลอร์ทันทีแล้วก็อารักขากลับไปยังเรือนที่พักในทันทีที่สกีวเลอร์ลุกขึ้นเดินไหว สัตว์ทั้งหลายต่างนึกไม่ออกเลยว่านี่เันเรื่องอะไรกันยกเว้นเบนจามินซึ่งพยักหน้าด้วยท่าทางเข้าอกเข้าใจดูเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ยอมปริบากพูดไม่กี่วันต่อมาบัญญัติ7ประการข้อที่หที่เคยบอกว่าห้ามสัตว์ดื่มแอลกอฮอล ก็มี3มคำเพิ่มขึ้นมาว่าห้ามสัตว์ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปค่อยๆเพิ่มขึ้นในส่วนของบ็อกเซอร์กรีบตีนของมันซึ่งบาดเจ็บอาการค่อนข้างจะมากกว่าจะหายก็ใช้เวลานาน พวกสัตว์เริ่มสร้างโรงสีลมใหม่ทันทีหลังจากเสร็จการฉลองชัยชนะบอกเซอร์ไม่ยอมพักงานแม้แต่วันเดียวมันถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะให้ผู้คนคือไม่ยอมให้ผู้คนเห็นมันในสภาพที่เจ็บปวดบ็อกเซอร์เป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ทํางานหนักบ็อกเซอร์จะต้องไม่อ่อนแอให้ใครเห็น ในตอนเย็นมันจะยอมรับกับโคเวอร์ว่ามันเจ็บมากโคเวอร์ก็จะเคี้ยวสมุนไพรแล้วก็เอาไปพอกีบตีนให้กับบ็อกเซอร์ทั้งโคเวอร์และเบนจามินต่างก็กระตุ้นบ็อกเซอร์ไม่ให้หักโผมคือพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งทางานหนักเลยเพราะว่าอาการยังไม่ปกติแต่บ็อกเซอร์ก็ไม่ยอมฟัง บ็อกเซอร์บอกว่ามันมีความฝันเหลืออยู่ประการเดียวในชีวิตก็คือการได้เห็นโรงสีลมสร้างรุดหน้าไปได้ดีก่อนที่มันจะถึงวัยเลิกทำงานนี่เป็นความฝันของบ็อกเซอร์ในตอนแรกเมื่อตั้งกฎของ Animal Farm มมีการกำหนดวัยเกษียณอายุของมา้าและก็หมูเอาไว้ที่12ปีวัว14ปี หมาเก้าปีแกะเจ็ดปีไก่ละหานห้าปีแล้วก็ตกลงกันว่าจะมีบำนาญตอบแทนสัตว์ชราอย่างมากมายแต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีสัตว์ตัวใดถึงไวยเกษียนได้กินบำนาญเลยภาคหลังๆก็เริ่มมีการพูดกันถึงเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อทุ่งเล็ก ถัดจากสวนผ ล, ลไม้ถูกกันเอาไว้ปลูกข้าวบาเล่ก็มีการลือว่าจะมีการกั้นรั้วมุมหนึ่งของทุ่งใหญ่เพื่อให้เป็นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์สําหรับสัตว์ที่อยู่เรียกว่าสัตว์ที่เกษียณแล้วจะให้ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ลือกันบอกว่าม้าเนี่ยจะได้รับบํานาญเป็นข้าวสาลีวันละหปอนด์และในฤดูหนาวจะได้รับหญ้าแห้งวันละ15บหปอนด์ และก็จะได้แครอทหรืออาจจะได้อาเปิลในวันหยุดราชการและบ็อกเซอร์จะถึงวันเกิดปีที่12ในช่วงปลายฤดูร้อนที่ถัดไปและบ็อกเซอร์จะถึงวันเกิดปีที่12ในช่วงปลายฤดูร้อนปีถัดไปในระหว่างนั้น อากาศหนาวจัดอาหารขาดแคลนมีการปันส่วนอาหารน้อยลงชีวิตของพวกสัตว์ก็ลำบากยากเย็นแม้ว่าจะมีการปันส่วนอาหารน้อยลงแต่หมูกับหมายังคงได้รับเหมือนเดิม สคิลเลอร์บอกว่าการปันส่วนให้เท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัดเกินไปเนี่ยขัดต่อหลักลัทธิสัตวะนิยมอย่างไรก็ดีสควิ l เลอร์พิสูจน์ให้สัตว์ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วอาหารไม่ได้ขาดแคลนไม่ว่าจะดูเหมือนขาดแคลนสักแค่ไหนแน่นอนว่าเฉพาะในตอนนี้เท่านั้นที่การปันส่วนอาหารจำเป็นต้องปรับใหม่ สควิลเลอร์ใช้คำว่าปรับใหม่ไม่เรียกว่าการลดแต่เมื่อเทียบกับสมัยของนายโจนส์ก็ถือว่าได้ปรับปรุงขึ้นอย่างมากมายสคว i ลเลอร์ iller, อ่านตัวเลขอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยเสียงแหลมเพื่อพิสูจน์ในรายละเอียดว่าสมัยนี้สัตว์มีข้าโอ๊ตฟางแล้วก็หัวเทอร์นิฟมากกว่าสมัยของนายโจนส์และชั่วโมงทำงานก็ลดลงน้าดื่มก็มีคุณภาพดีกว่าเดิม สัตว์มีอายุยืนกว่าเดิมมีลูกสัตว์ที่รอดชีวิตจากวัยเด็กเป็นจำนวนมากขึ้นมีฟางในคอกเล้ามากกว่าเดิมมีตัวเห็บรบกวนน้อยลงกว่าแต่ก่อนพวกสัตว์ก็พากันเชื่อทุกคำพูดจะว่าไปแล้วในโจนส์และความโหดร้ายทารุณ น, นานาของในโจนส์ได้เลือนไปจากความทรงจาของสัตว์ มันรู้แต่เพียงว่าชีวิตทุกวันนี้นี่ลาบากลาบากพวกมันหิวหนาวแล้วก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้นอนหลับแต่จะว่าไปสมัยก่อนก็คงจะเลวร้ายกว่านี้มากเป็นแน่แท้พวกสัตว์ยินดีที่จะเชื่อเช่นนี้เหมือนปลอบใจตัวเองนอกจากนี้ในสมัยก่อนพวกมันเคยเป็นทาส แต่ตอนนี้พวกมันเป็นอิสระอันนี้แหละแตกต่างอย่างสำคัญที่สุดเลยซึ่งสกิวเลอร์ไม่ลืมที่จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่นี่นี่นี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี่เราเป็นทาสแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นทาสคนแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็มีอีกหลายปากท้องให้เลี้ยงดูแม่หมู แม่หมูซึ่งมีอยู่ถึง4ี่ตัวตกลูกไล่ๆกันจำนวนรวมกัน3 1อตัวลูกหมูด่างดำขาวและเมื่อนโปเลียนเป็นหมูตัวผู้ตัวเดียวในไร่ก็เดาได้ไม่ยากว่าใครเป็นพอ่อมีการประกาศต่อมาว่าเมื่อซื้ออิฐและไม้มาแล้วจะมีการสร้างห้องเรียนไว้ในบริเวณสวนของบ้าน ระหว่างนี้นโปเรียนจะเป็นผู้สอนลูกหมูด้วยตัวเองลูกหมูออกกำลังกายในบริเวณสวนของเรือนและได้รับการสั่งสอนไม่ให้มาเล่นปะปนกับลูกสัตว์อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็มีการออกระเบียบว่าเมื่อหมูและสัตว์อื่นๆมาเจอกันระหว่างทาง เป็นหน้าที่ของสัตว์อื่นๆที่จะต้องหลีกทางให้กับหมูและหมูทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดย่อมมีอภิสิทธิ์สวมริบบิ้นสีเขียวที่หางในวันอาทิตย์ได้ oh Like เรื่องราวใน a n i m ม l f ฟาร์มจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่7นะคะฟังแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์ในลักษณะ น, นี้หลายประเทศเขาฟังเขาอ่านเขาก็รู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนกันนะคะวรรณกรรมชิ้นนี้จึงเป็นวรรณกรรมอรมตะที่ยังคงอ่านกันอยู่แม้กระทั่งปัจจุบันค่ะ ไม่ล้าสมัยแล้วก็ไม่เชยนะคะต่างกันแทารายละเอียดเท่า น, นั้นเองวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS podcasts. This is Thai PBS podcasts.